จางจื้อเนี่เป็นปาจีนเมื่อสั 2000, กสองพันกว่าปีที่แล้วจางจื้อเล่าถึงพระราชาองค์หนึ่งนะชื่อพระเจ้าส่วนพระเจ้าส่วนนี่ได้ไก่ชนมาตัวหนึง่งมันสง่าแล้วก็แข็งแรงเต็มไปด้วยไฟมันมีการยิ่งพยองแล้วก็มั่นใจในกำลังของตัวพระเจ้าส่วนก็เลย นำไก่ชนตัวนี้ไปให้นักหัดไก่ชนคนหนึ่งที่มีชื่อมากชื่อฉี่ถามฉีว่าเนี่ยไก่ชนตัวนี้พร้อมจะสู้หรื อ, อยังฉีต่ตอบ ว, ว่าไม่พร้อมหรอกยังไม่พร้อมพระเจ้าส่วนก็เลยให้ฉี่เนี่ยไปฝึกไก่ชนตัวนี้ผ่านไปสิบวันพระเจ้าส่วนก็ถามว่าเนี่ยไก่ชนตัวนี้พร้อมสู้ออยังฉีต่ตอบว่ายังไม่พร้อมหรอก เพราะว่าเวลามันเห็นไก่ตัวอื่นขันนี่มันจะกระพือปี ก, พ, กพึบพพึบพแบบนี้ยังไม่พร้อมต้องฝึกต่อไปผ่านไปสิบวันไนกะ่ชนตัวนี้พอมาเห็นไก่ตัวอื่นขันเนี่ยมันก็แสดงท่าทีโกรธแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขเลยคิดจะเข้าไปลุยเข้าไปตีอย่างเดียว ชีก็เลยบอกพระเจ้าส่วนว่ายังไม่พร้อมอ่ะนะผ่านไปสิบวันพอไก่ตัวนี้เนี่ยมันเห็นไก่ตัวอื่นขันมันนิ่งเลยตามไม่กระพริบเลยมันนิ่งเหมือนกับไก่ไม้เลยส่วนอ่าพชีก็เลยบอกพระเจ้าส่วนว่าเนี่ยไก่ตัวนี้พร้อมชนแล้ว บอกว่าพอเอาไก่ตัวนี้นะไปประจันหน้ากับไก่ชนตัวอื่นนี่ยังไม่สั่นสู้เลยนะไอไก่ชนตัวอื่นก็หนีไปเลยเพราะว่ามันรู้ว่าไก่ชนของพระเจ้าส่วนนี่มันน่าเกรงขามอาจารย์จื๊อเล่าถึงเรื่องไก่ชนตัวนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะชี้เห็นว่า ให้ความนิ่งเนี่ยมันมีพลังนะมันไม่เป็นต้องแสดงพลังด้วยการกระพือปีกหรือว่าแสดงความพยองลำพองเวลาเจอปรปักเนี่ยแค่นิ่งตาไม่กระพริ บ, บเท่านี้เนี่ยมันก็แสดงถึง พลังที่น่าเกรงขามจนกระทั่งไก่ชนตัวอื่นนมันก็รู้ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ประลองกำลังกันเลยจังที่พูดถึงไก่ชนนี่เพื่ออะไรนะเพื่อชี้เห็นว่าเนี่ยความนิ่งเนี่ยนะมันมันสะทออ้อนถึงพลังมันสะทออ้อนถึงความเข้มแข็งที่คนมักจะมองข้าม ไก่ชนตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุปมานะถึงคนที่เป็นผู้นําผู้นําที่เข้มแข็งนะไม่ใช่ผู้นาที่ชอบแสดงอำนาจหรือแสดงตัวกลางแต่ว่านิ่งสงบความนิ่งเนี่ยมันสะท้อนถึงจิตใจที่เข้มแข็ง เจออะไรมากระทบก็ไม่แสดงอาการวยุยวายหรือว่าตีโพตีภายเจอภยัยคุกคามก็ไม่แสดงความตื่นตระห น, นอกตกใจอันนี้กนน็เป็นเพราะว่าจิตใจมีความเข้มแข็งสามารถจะควบคุมอารมณ์ได้หรืออาจจะเพราะว่ามีความกล้าไม่กลัวอะไรทั้งสิ่งก็ได้ที่จริงในทางธรรมนะ คนที่เข้าถึงทำเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะคือความนิ่งความนิ่งของอากัระกริยานี่มันสะท้อนถึงความสงบภายในอย่างในมงคลาสูตรเนี่ยนะก็จะมีตอนสุดท้ายที่พูดว่าเนี่ยจิตของผู้ใด เมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วย่อมไม่วันไหวเป็นจิตไม่ซ้อโศกละทูดูเกเรเป็นจิตกเกษมสารข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้แสดงถึงงคตินะของผู้ที่เข้าถึงธรรมในพุทธศาสนาก็คือผู้ที่มีความนิ่งแม้ว่าโลกธรรม ไม่ว่าฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบมากระทบนะีก็ไม่หวั่นไหวลูกกฏธรรม์ฝ่บวกก็เช่นการได้ลาบการได้ยศการได้รับคาชื่นชมสรรเสริญหรือว่ามีความสุขเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่ได้มีอาการลิงโลดหรือว่ากระโดดโลดเต้นออกมาเป็นปกับปริยาภายนอก จากกนรเมื่อเจอโลกธรรมฝ่ายลบเสื่อมลาบเสื่อมยศนะหรือว่าเจอคําต่อว่าด่าทอหรือเจอทุกทุกในทีชื่ออาจจะลวมไปถึงการสูญเสียของรักรวมไปถึงความเจ็บความป่วยเมื่อสิ่งเหล่านี้มากระทบหรือเกิดขึ้นนะจิตใจก็ไม่วันไหว ไม่แสดงอาการคลำครวนเศร้าโศกหรืออกชกหัวหรือว่าคับแคดจิตใจก็ยังสงบอยู่ได้มันไม่ใช่แค่เพียงอาการภายนอกที่สงบหรือนิ่งแต่ว่ามันสะท้อนถึงจิตใจภายในที่เข้มแข็งมั่นคงซึ่งมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ใการควบคุมอารมณ์ได้่ต้องอาศัยนะความเข้มแข็งในจิตใจจะมันมากกว่านั้นนะต้องมีสติด้วยในการกดข่มอารมณ์เนี่ยอาจจะใช้ขันติธรรมแต่ว่ามันก็สู้สติไม่ได้นะการมีสติที่ทำให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในยามที่เกิดการกระทบ แล้วก็ไม่ปล่อยใจให้อารมณ์หล่อนนั้นเนี่ยมันท่วมท้นใจไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจนะไม่ว่าจะเป็นความยินดีหรือดีร้ายและที่สมัญคือว่ามีปัญญาด้วยมีปัญญาในที่นี้คือว่ารู้เท่าทันนะธรรมดาของชีวิต รู้เท่าทันธรรมดาของโลกว่ามันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนมีกับหมดได้กับเสียเจอกับจากพบกับพาลากรักกับเลิกนี่เป็นของคู่กันมีขึ้นก็มีลงถ้าลูกความจริงแบบนี้เนี่ยมันก็จิตใจก็ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งใด เวลาได้ก็ไม่ได้ดีใจเพราะฉะนั้นเวลาเสียนะก็ก็ไม่ได้ฟูไฟคล่ำครวนเป็นความนิ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่รู้รอรู้หนาวแต่ว่าเพราะมีสติแล้วก็มีปัญญาในสาวิษฐการก็มีนะมีผู้ที่ เป็นแบบอย่างของการที่รู้เท่าทันในในโลกรธรรมเมื่อเจอความสูญเสียก็ไม่ฟุ่มฟายไม่ข้าครวนแต่สามารถที่จะทรงกายแล้วก็ทรงจิตเนี่ยให้นิ่งได้ท่านนึงคือนางมริกานะนางมริกา เป็นมเหส์เป็นภรรยาของพันธุละเสนาบดีพันธุละนี่เป็นเสนาบดีคู่ใจของพระเจ้าประเสนทิโกศนนะแล้วก็พระเจ้าปเนสนทิโกศลนี่ก็ไว้ใจมากแต่ตอนหลังก็ถูกเป่าหูให้เกิดความระแวงในพันธุละเสนาบดีเพราะพันธุละเนี่ย นอกจากตัวเองจะเก่งกล้าสามารถแล้ ว, ลวเนี่ยยังมีลูกชายเนี่ยถึง32คนนะเป็นแฟดสคู่ซึ่งก็มีความสามารถในการรบมากพอถูกเป่าหูอย่างเงี้ยพระเจ้าปเสนีโกศลก็เชื่อแล้วก็หาทางกำจัดก็หลอกให้ไปปราบโจนนะที่ชายแดนเสร็จแล้วก็มี นะกองกำลังนีคอยซุ่มโจมตีกองกันแล้วก็สามารถที่จะฆ่าบรรทุระแล้วก็ลูกชายสาคนนะจนเสียชีวิตคนะาที่ไปข่าวนี้นก็มาถึงนางมริกาในเช้าวันหนึ่งขณะที่ตนเองเนี่กำลังจ ะ, ะเลี้ยงพระ มีพระสารีบุตรเป็นประธานกำลังจะถวายอาหารอยู่ก็มีจดหมายน้อยนะมาถึงพอหนางได้อ่านแล้วก็รู้ว่าสามีแล้วก็ลูกชายทั้ง ส, สองคนตายหมดสิ้นเลยนางก็ดิ่งสักพักนะแล้วก็เก็บกระดาษนั้นเนี่ยไว้ที่ชายพกไม่ได้แสดงความเศร้าโศกนะ คร่ำครวญร้องห่มร้องไห้เลยยังคงทําหน้าเชียงตัวเองต่อไปคือถวายอาหารก็ช่วงนั้นพอดีเนี่ยหญิงรับใช้เนี่ยถวายอาหารให้กับพระสารีบุตรนะเราะว่าเกิดพลังขึ้นมาพลังพลาดถาดเนยสายเนี่ยตกแตกต่อหน้าพระสารีบุตรแล้วก็นางมาลิกาพระเจ้าปสุทิ์พระสารีบุตรเห็นก็เลย พูดปลอบใจนางมรลิกาว่าเนี่ยของอะไรที่มันแตกได้มันก็แตกไปแล้วอย่าได้เสียใจไปเลยนางมรลิกาก็เลยพูดขึ้นว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะดิฉันเพิ่งได้ทราบวาสามีและลูกชายเนี่ยเสียชีวิตหมดสิ้นเลยดิฉันก็ยังไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกับฐานเนยใสเนี่ยแตกนี่ดิฉันไม่รู้สึกอะไรหรอก นางมริกาเนเสียทั้งสามีแล้วก็ลูกเนี่ยเรียกยกครัวเลยนะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะรักษาความนิ่งความสงบเอาไว้ได้ไม่ใช่เพราะไม่รักนะคนเหล่านั้นแต่เป็นเพราะว่าเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตว่ามันไม่จีรังยั่งยืน แล้วเมื่อเกิดความสูญเสียเนี่ยจิตใจก็ไม่ไม่วันไหวใจไม่กระเพื่อมมากอาจจะมีความเศร้าโศกอยู่บ้างนะแต่ว่าก็สามารถที่จะคคุมอารมณ์นั้นไว้ได้แล้วก็ยังมีสติทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปอันนี้ก็เป็นแบบอย่างนะของชาวพุทธที่เข้าถึงธรรมเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นเป็นพระรหันต์หรือพระ ริยะสาวกเนี่ยนะแต่ว่าก็มีความมั่นคงในจิตใจแม้ว่าจะเจอความสูญเสียนะใจว่าจิตใจก็ไม่วันไหวนะไม่แสดงอาการโศกเศร้าข้ามครวนตี อ, อกชกหัวและอนิจจารมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะมันมีอย่างอื่นเช่นคำต่อว่าด่าทอ ภคยคุกคามหรือว่าการที่ประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นดังใจทําดาวคนเราเนี่ยนะพอเจอคำตอบว่าจ่าทอก็ย่อมมีความโกรธแค้นมีการโวยวายมีการตอบโต้หรือพอเจอสิ่งที่มันเจอความผิดหวังหรือว่าผิดแผนนะก็โวยวาย หรือว่าเวลาเจอภัยอันตรายก็เกิดความตื่นตระหนกตกใจแต่สาธผู้่เข้าถึงธรรมนะเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จ ะ, ะดํารงความนิ่งความสงบเอาไว้ได้มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยหลวงพ่อประสิทธาวาโรเนี่ยสมัยที่ท่านยังเป็นเจ้าวาดยังมีชื่ออยู่ท่านก็เป็นเจ้าวาด ว่าท่านใหญปริกด้วยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือมากนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เพลิดเพลินนะไปกับคําชื่นชมสารเสื่อหรือการเคารพกราบไหว้ครั้นถึงเวลาที่ท่านถูกต่อว่าด่าทอนี่ท่านก็ยังสามารถที่จะรักษาความสงบไว้ได้เคยมีคนหนึ่งด่าท่านนะไอ้พระเฮงซวยแต่ว่าท่านนี่ไม่ได้โกรธเลยนะ แม้ว่าจะมีผู้คนมากมายชื่นชมสรรเสริญท่านแต่พอถึงเวลาที่มีคนมาด่าท่านท่านก็ไม่ได้โมโหโกรธาท่านกลับยิ้มนะแล้วก็ทำงานตัวเองต่อไปเรื่องของเรื่องคือว่าเนี่ยมีความท่านจะจะสร้างก่อสร้างกำแพงหินหน้าวัดก็ มีการขนหินเนี่ยมากองไว้ที่หน้าวัดแต่บางเอินเนี่ยกองหินเนี่ยมันมันล้ำเข้าไปในที่ของชาวบ้านคนหนึ่งก็นิดเดียวเองนะแค่นิ้วสองนิ้วเพือนชาวบ้านคนนั้นเนี่ยเป็นไม้เหมือไม้เมานะีกับทางวัดคงเป็นนักเรียนอันธาพาล น, นะคอยหาเรื่องกับทางวัดพอรู้ว่ามีกองดินกองหินล้ำเข้ามาในที่วัดก็ออกมาโวยวายตะโกนลั่นเลย ใครหน้าไหนวะเอาหินเนี่ยมากรองในที่ของกูออกมาใส่ดีๆนะออกมาคุยกันพอดีก็หลวงพ่อท่านพักอยู่กุฏิใกล้ๆหน้าวัดนะท่านก็เลยออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ ย, เ, ยเออโยมนะค่อยพูดค่อยๆจาง ก, ก็ได้ ขอเอาก้อนหินเอากองหินมากองไว้สักคืนนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะขนอ่าออกไปละบอกว่าชายนั้นก็กลับตวาดกลับเลยไม่ได้นะต้องขนออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นกูจะไปฟ้องนะตำรวจนาอำเภอมาจับพวกมึงพนะพวกมึงเนี่ยมันก็แคร์พาเหงซวยแล้วคนที่ ได้รับแคาคมชื่นชมสารเสรินเนี่ยโดยทั่วไปพอเจอคาพูดแบบนี้ก็ย่อมโกรธนะแต่หลวงพ่อประสิทธิ์ท่านนิ่งไม่แสอ า, าการโกรธกราดเกลียวท่ายังนั่งพักผ่อนอีระบบของท่านต่อไปถ้าธรรมดาคนเราเนี่ยพอถูกด่ายงีย้มันก็ต้องโกรธนะแต่นั่นเป็นเพราะว่าขาดสติ และที่สำคัญคือเป็นพ่อยังมีความยึดมั่นในตัวกูของกูมากนะถ้ามีความยึดมั่นในตัวของกูเนี่ยเพียงแค่ถูกกระทบเล็กน้อยเนี่ยอย่าว่าแต่ดาว่าเป็นผ้าเฮงซวยเลยนะแค่ไม่แสงสัมมาคารวะเท่าที่ควรนี่ก็อาจจะเกิดความขุนเคืองเกิดความไม่พอใจได้ตัวนพ่อประเสิที่ท่านนิ่งนพ่อตัวตวนท่านน้อยนะ การที่คนเรานี้มีตัวตนน้อยเบาบางได้เนี่ยเพราะว่ามีปัญญานะมีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตมีความมีปัญญารู้กระทั่งรู้ความจริงของกายและใจจนทั่งรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนหรือึดเป็นตัวกูของกูได้การที่คนเราจะนิ่งแบบนี้ได้มันต้องมีนะทั้งสติแล้วก็ปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆลง แล้วก็ไม่มีความยึดถือในตัวกูนั่นเก็คือนะแบบอย่างนะหรือว่าอุดงกตินะของชาวพุทธเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยในขที่เราปรารถนาความพ้นทุกข์อยากจะเข้าถึงนิพพานนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะแสดงถึงความคืบหน้าหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราเนี่ยก็คือว่า เรามีความนิ่งแค่ไหนในยามที่เจอโลกธรรมมากระทบเวลาโลกธรรมายบวกมากระทบก็ไม่ได้ดีใจลิงโลดหัวเลาะจนลืมเนื้อลืมตัวเวลาเจอโลกธรรมายลบก็ไม่ได้โศกเศร้าคร่ำครวญฟูมมไฟหรือว่าตีโพยตีพาย เวลาใครด่ามาก็ไม่ได้รู้สึกร่มร้อนนะเช่นที่ต้องด่าตอบไปด้วยอารมณ์ให้การที่ได้มีโอกาสได้รู้จักหรือได้ใกล้ชิด ก, กับบุคคลที่มีความนิ่งอันนี้มันเป็นการาช่วยเตือนใจเราได้เป็นอย่างดีนะให้เรารู้ว่าเนี่ยอุดมกติเนะี่ยของการ ปฏิบัติและเข้าถึงธรรมเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าบางทีเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะแต่ว่าใจมันมีจิตที่คิดจะเอาจะเอานิพพานนะจะเอความสงบแต่ว่าลืมไปว่านเนี่ยมันมีการบ้านนะที่เราต้อง ทำหรือต้องผ่านไปให้ได้การบ้านที่เป็นรูปธรรมคือว่าเมื่อเจอโลกธรรมไม่ว่าลบหรือบวกเนี่ยเราจะสามารถจะนิ่งได้แค่ไหนยิ่งมีสถานะที่สูงเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพระเนี่ยมันจริงมก็ง่ายนะที่จะหลงลืมเรื่องนี้เพราะว่ามีแต่คนกราบคนไหว้มันก็ พลอยทำให้เกิดความยึดติดในคำชื่นชมสารเสริญหรือในการเคารพพอไม่ได้สิ่งนั้นอย่างที่เคยทำก็เกิดความคุ้นเคืองพอมีอะไรมากระทบเข้าก็อารวาดออกไปผมก็โชคดีนะได้มีโอกาสนะได้อยู่ใกล้กับหลวงพ่อคำเขียนท่านเป็นผู้ที่มีความนิ่งให้เราเห็นเนี่ยเรียกว่า เป็นปกติเลยก็ว่าได้สมัยที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีคนเคารพนังถือกราบไหว้มากเนี่ยท่านเจออะไรต่ออะไรมากมายนะที่มากระทบนะแต่ว่าท่านยังสามารถแสดงความนิ่งได้บางครั้งก็ถูกดา่าถูกกล่าวหาแต่ท่านก็ไม่ได้โวยวายตีโพยตีพาย เคยไปเคยเดินทางไปกับท่านนะไปประเทศอเมริกาแล้วมีขราวหนึ่งท่านก็ได้พบญาติโยมกลุ่มหนึ่งที่วัดไทยแห่งหนึ่งโยมนหนึ่งเนี่ยนะได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อที่ถอดเทปมาแล้วเกิดไม่พอใจในประโยคบางประโยคพอเจอหลวงพ่อนี่ก็ นี่เรียกว่าวิจารหลวงพ่อทันทีนอกจากจะแสดงความไม่เห็นด้วยนะกับข้อความนั้นแล้วเนี่ยยังยังต่อว่าหลวงพ่อเนี่ยว่าสอนผิดสอนพลาดสอนไม่ตรงกับคำคาสอนของพระพุทธเจ้านะหลวงพ่อจันก็นิ่งนะ ทั้งที่ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่พอถูกโยบเนี่ยต่อว่ายัางไม่มีสัมมาคารวะนี่ท่านไม่ได้โกรธเลยท่านก็ยิ้มนะแล้วก็ถามโยบว่าควรจะแก้อย่างไรให้มันถูกในความคิดของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นไม่ค่อยบ่อยนะ เพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดแยง้งแล้ววิพากษ์วิจาร์แบบนั้นเนี่ยก็คงจะโกรธนะอาจจะนึกในใจว่าเนี่ยฉันเป็นพระแกเป็นโยมผู้นี้กับฉันได้ยังไงนะเลยจะคิดว่าเนี่ยตัวเธอศีลห้ายังไม่ครบเลยนะฉันมีทั้งศีลสองสิบ27ข้อจะมาพูดอย่างนี้กับฉันได้ยังไง ถ้าหลวงพ่อไม่มีความคิดแบบนี้หรือไม่ใส่อาการที่จะโต้แยง้งด้วยความโกรธหรือความไม่พอใจเลยท่านก็ฟังแล้วก็ยิ้มแล้วก็ชี้แจงให้เขาฟังเขาไม่ฟังท่านก็เลยถามว่าจะให้แก้ไขอย่างไรอันนี้มันแสดงถึงความเข้มแข็งภายในนะเป็นความเข้มแข็งที่เกิดจากสติแล้วก็ปัญญา เป็นความเข้มแข็งที่เกิดจากการที่ได้เข้าถึงธรรมจนกระทั่งนะตัวตนเนี่ยเบาบางหรือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจะพูดอะไรมานี่มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกไม่กระทบกระแทกตัวตนแต่คนเราเนี่ยนะปกติมันก็จะมีตัวตนที่ใหญ่ยิ่งอยู่ในสถานะที่สูงเป็นพระหรือว่ามีอายุมากเนี่ยยิ่งปฏิบัติธรรมมเยอะนะ มันก็จะมีความยึดมั่นถือมันในตัวกูมากถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องนะในความยึดมั่นในตัวกูก็จะสูงตัวกูก็จะใหญ่ถูกกระทบได้ง่ายบางทีอาจจะเหมือนกับลูกโปงนะ่งยิ่งโป่งเนี่ยยิ่งยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งบางบางทีแค่ถูกยอดหญ้าเนี่ยมาทิมเนี่ยก็แตกแล้ว สนั่นเลยก็เหมือนคนที่มีความยึดมั่นในตัวกูมากเนี่ยพอถูกกระทบแม้เพียงเล็กน้อยนี่ก็ระเบิดออกมาเลยในสำหรับคนภายนอกเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยนี่คือการแสดงความแสงอำนาจนะแต่ที่จริงแล้วมันแสดงใ น, นความอ่อนแอมันไม่ได้แสดงใ น, นความเข้มแข็งแั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เราจะวัดความก้าวหน้า ของการปฏิบัติก็คือว่าเมื่อเจอโลกธรรมโดยพระฝ่ายลบเนี่ยเราสามารถที่จะสงบได้ไหมไม่ใช่แค่สงบภายนอกอย่างเดียวแต่สงบภายในด้วยแต่ว่าในความสงบภายนอกมันก็สะท้อนในความสงบภายในนะใช่เอะยวายตีโพยตีพายนะโวยวายตีอกชกหัวอย่างเงี้ยก็เรียกว่ายัง ไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติแม้จะมีชชั่วโงมงบินมาเยอะนะก็ยังต้องฝึกต่อไปนะมาสำรวจตัวเราเองด้วยตรงนี้ก็ก็สำคัญเหมือนกันนะก็คือเมื่อมีอะไรมากระทบแล้วเนี่ยเราสงบได้ไหมเรานิ่งได้ไหมเราลึกถึงคำสอนของบุตรจ้าเนี่เาะในมงคลราสวดอว้เนี่ยจิตของผูดด้ใดเมื่อถูกโลกธรรม เมื่อเราก็ทำถูกต้องแล้วเนี่ยย่อมไม่หวั่นไหวเนี่ยเป็นจิตไร้ทุรีกีเลสเป็นจิตแม่เศร้าโศกเป็นจิตเกษมสารเนี่ยข้อนั้นเป็นมงคลท้งสูงสุดเอาข้าวเานืูอเท่รนีนะเอกบกราบพะ